เอเวซ่จะได้กลับบ้านละมาอยู่ทั้งหลายวันได้อะไรบ้างไหมอย่างน้อยให้ได้ความเข้าใจรู้วิธีปฏิบัติรู้วิธีปฏิบัติแล้วก็ต้องไปทำเอาเองเราจะมาปฏิบัติเฉพาะตอนมาอยู่วัดมาเข้าคอร์สอะไร น, นียไม่พอเพราะกิเลสไม่เคยหยุดสักวันเล ไม่มีวันหยุดชดเจยไม่มีวันหยุดลองวิ๊กเอ็นเมื่อมีทั้งสิ้นเลยกิเลสทำงานทั้งวันกิเลสทำงานทั้งคืนถ้าเราละเลยนะใจเราก็ถดถอยไปเรื่อยๆการภาวนามันเหมือนพายเรือทวนน้ำหยุดเมื่อไหร่ก็ถอยเมื่อ น, นั้นจนกว่าเราจะพายข้ามแก่งไปได้นะข้ามไปได้แล้วก็พ้นไปแล้ต้องอดทน ทนมากๆเลยแล้วทแล้วก็เว้นทำแล้วก็เว้นคิดว่าการปฏิบัติต้องเข้าคอร์สต้องอยู่วัดใช้ชีวิตธรรมดาไม่ต้องปฏิบัติก็ผ่านไปมีเวลามาเข้าวัดใหม่ก็ามาปฏิบัติใหม่ไม่ได้กินหรอกยังการปฏิบัติน่เป็นงานที่หยุดไม่ได้นะหลวงพ่อถึงบอกตั้งแต่วันแรกแล้วว่า ต้องรู้ว่างานหลักในชีวิตของเราเนี่ยคือการปฏิบัติธรรมพูดอย่างนี้บางคนยังไม่เห็นประโยชน์ของการปฏิบัตินะก็รู้สึกว่ามันมากไปปฏิบัตินิดนหน่อยหน่อยเป็นคนดีของสังคมก็พอแล้วอะไรเงี้ยมันก็ดีเหมือนกันปฏิบัตินิดหน่อยเป็นคนดีนะแต่มันก็ยังทุกข์อีกเมื่อก่อนหลวงพ่อมีหัวหน้าคนนะ สมัยหลวงพ่อออกไปศึกษาธรรมะหัวหน้ากองในหัวเลาะเลยว่าสนใจอะไรทำไมเธอสนใจอะไรมากขนาดนี้อ่านหนังสือธรรมะอะไรเนี่ยถึงเวลาปฏิบัติถึงเวลาทำอย่างนู้ น, นี้เวลาไปเที่ยวก็ไปเที่ยววัดจริงๆไม่ได้ไปเที่ย ว, ว, ไ, ไ, ยวไปฟังธรรมไปปฏิบัตนะิเขาบอกว่า เรียนศาสนาพุทธนะเรียนนิดนิดหน่อยหน่อยพอรู้หลักแล้วเอามาแอปพลายใช้ในชีวิตเนี่ยคนไม่รู้จักธรรมะคิดว่าธรรมะแอปพลายได้ธรรมะถ้าแอปพลายไม่ได้นะกลายเป็นสัตรมปฏิรูปเมื่อนั้นเองแล้วก็ไม่เถียงนะไม่เถียงเวลาผ่านมาถึงวันนี้เรามีความสุขเขาก็คงเป็นอย่างชาวโลกสุขบ้างทุกบ้างไปเรื่อยๆเวลาผ่านไป มันเป็นเครื่องพิสูจน์เองว่าสิ่งที่เราทุ่มเทภาคเพียนปฏิบัติมานะั้นมันคุ้มค่าขนาดไหนตอนเริ่มต้นคนสองคนเริ่มต้นคนหนึ่งเอาจริงคนหนึ่งไม่เอาจริงผ่านไปปีหนึ่งสองปียังดูไม่มากนะบางคนพัฒนาช้าก็ยังดูแตกต่างไม่มากถ้าบางคนพัฒนาเร็วแตกต่างมากเลยเป็นฟ้ากับดิน ผ่านไปหลายๆลายปีเป็นฟ้าก็เหวแนะ mm. ล้เตี้ยลงไปเพราะคนที่ไม่ประพฤติปฏิบัติทำมันไม่อยู่กับที่หรอก mm. จิตมันจะเสื่อมลงไปเรนะื่อยจิตไหลลงที่ต่ำเพราะงั้นมันไม่ใช่อยู่พื้นดินแล้วมันจะเป็นพื้นดินตลอดการคนหนึ่งปฏิบัตินะเหมือนขึ้นที่สูงไปเรื่อยคนหนึ่งไม่ยอมปฏิบัติมันจะต่ําลงไปเรื่อยมันไม่อยู่กับที่ด้วยซ้ําไป เวลาผ่านไปหลายๆปีเราจะรู้ เ, เราจะนึกถึงย้อนหลังไปนะด้วยความอิ่ม อ, อกอิ่มใจว่าเป็นบุญของเราเหลือเกินที่ได้ปฏิบัติหลวงพ่อรู้จักครูบาอาจารย์เยอะเรียนจากครูบาอาจารย์มาหลายงองค์สี่สิบกว่าองค์ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เท่าบางองค์เจออย่างหลวงปูเงป่เหรียนหลวงปู่เหรียนใกล้จะมารณภาพตอนนะี้ไปกราบท่าน เขาก็ไขเตียงขึ้นมาใ ห, ใ, หให้ท่านนั่งขึ้นมานั่งงอข่าก็ไม่ได้แล้วทต้องนั่งเหยียดเท้าไปคือป่วยมากท่านก็เล่าให้ฟังว่าชีวิตท่านนะท่านต่อสู้เงเด่นเดี่ยวเลยมาถึงวันนี้นะคิดถึงการต่อสู้ที่ผ่านมานะด้วยความอิ่มโบอิ่มใจ สมัยที่ยังต่อสู้ล้มลุกคลุกคลานเหมือนพวกเรานี่นะมันเหน็ดเหนื่อยแสนสาหัสนะที่จะเอาชนะกิเลสแต่พอผ่านมาแล้วพอมานนึกถึงเนะี่ยเราไม่ได้นึกถึงความเหน็ดเหนื่อยนะแล้วต่เรานึกถึงด้วยความอิ่มอกอิ่มใจว่าชีวิตนี้มีคุณค่านะท่านพูดถึงการปฏิบัติของท่านให้ฟังนะาน้ําตาคลอเลยนะ้าตาคลอด้วยปีติเป็นธรรมปีติ เราดูโอ้ผู้เฒ่าอายุเกือบร้อยปีแล้วท่านก็พยายามเชียร์นะสู้ตายสู้ตายพากเพียรเข้าไม่ทอดถอยอย่างเงี้ยเอาอย่างเรานะย้บอกเหมือนนักรบที่ผ่านศึกสงครามมามากมายแล้วตอนนี้เป็นนักรบชรา เห็นนักรบรุ่นหลังๆนะไม่อยากให้สู้เหมือนท่านที่สู้มาแล้วครูบาอาจารย์เขสู้กันมาทุกรุ่นแลแหละกว่าจะเอาชนะกิเลสได้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆกิเลสมันเป็นเจ้าโลกมันคลองโลกครองหัวใจของสัตว์โลกมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเราตกเป็นทาตมันนับพบนับชาติไม่ท้วนวันหนึ่งวันหนึ่งเนีกิเลสสั่งเราทั้งเท่าไหร่ สั่งให้อยากดูอยากฟังอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสอยากคิดอยากนึกอยากปรุงอยากแต่งแะทั้งอยากปฏิบัติความอยากนะมันบีบมันคั้นเราตลอดเวลามันเป็นเจ้านายพวกเราเป็นทาสมันเป็นเจ้านายที่แท้จริงมันเป็นเจ้านายที่ฉลาดมากเลยตัวตัณหาตัวกิเลสเนี่ย มันสั่งให้เราทำงานตลอดเวลาแล้วถ้าเราทำตามที่มันสั่งมันจะให้รางวัล น, นิดหนึ่งถ้าเทียบเหมือนที่เขาฝึกเสือฝึกอะไรเงี้ยนะฝึกละครสัตว์สัตว์เชื่อฟังมันให้กินอาหารนิดหนึ่งไม่ให้กินมากสัตว์ก็หิวมันก็บังคับให้ทำโน่นทำนี่ไปพอยอมทำตามใจมันมันให้รางวัล น, นิดนึง กิเลสตัณหานะั้นมันเลี้ยงพวกเราแบบที่เขาเลี้ยงสัตว์เอาไว้ฝึกนั่นเองเวลาไม่รู้ตัวเราเนว่า ก, ก, กูแน่กูเก่งกูหนึ่งไม่มีใครบังคับกูได้กิเลสเนี่ยจิกหัวเราทั้งวันทั้งคืนเลยนะสั่งตลอดเวลาถ้าเราตามใจมันนะมันจะโยนความสุขเล็กๆมาให้นิดเดียวแล้วมันจะสั่งงานใหม่ทันทีเลยแต่ถ้าเราไม่ทำตามมันมันจะลงโทษ เวลามีความอยากเกิดขึ้นแล้วไม่สนองความอยากมีความทุกข์เกิดขึ้นทันทีเลยนี่มันลงโทษทันทีเลยนะเวลามีความอยากเกิดขึ้นเราสนองความอยากเราได้รับความสุขมาแวบหนึ่งใด้นิดเดียวเดี๋ยวความสุขก็หลุดมือไปแล้วจะอยากอันใหม่ทันทีเลยอยากได้สิ่ง น, นี้ถ้าภาคเพียรเก็บเงินไปซื้อซื้อมาได้ความสุขนิดเดียวนะแป๊บเดียวนะจะอยากได้อันใหมนะ่ละ อยากได้อย่างอื่นต่อไปอีกแล้ชีวิตเราตกเป็นทาตเป็นทาตที่ไม่รู้ตัวว่าเป็นทาตคนในโลกก็เป็นทาตที่ไม่รู้ตัวว่าเป็นทาตเพราะฉะนั้นมันไม่มีวันที่จะเป็นอิสระได้เลยนึกว่ากูแน่กูเก่งกูหนึ่งกูไม่ยอมใครใครก็สั่งกูไม่ได้ถูกกิเลสจิกหัวทั้งวันนะก็ยอมจำนวนเดี๋ยยังนึกว่าตัวแน่ซะอีกหลวงพ่อเรียนรัฐศาสตร์มา มันมีหลักอยู่ข้อหนึ่งของรัฐศาสตร์ยุคโบราณทำไมต้องใช้คำว่ายุคโบราณเพราะเรียนมานานแล้วเดี๋ยวนี้วิทยาการมันเปลี่ยนไปถึงไหนเราไม่รู้นะไม่ได้เรียนบอกการปกครองที่ดีที่สุดเนี่ยคือปกครองโดยที่ผู้ถูกปกครองเนี่ยไม่รู้ว่าถูกปกครองนึกว่าตัวเองปกครองตัวเองอยู่พวกาาประชาธิปไตยเนี่ยนึกว่าเราเป็นผู้ปกครองความจริงถูกปกครอง กิเลสเนี่ยปกครองเราอยู่โดยเราไม่รู้ตัวเลยเรานึกว่าเราเป็นอิสระที่จริงหาอิสระไม่ได้ในโลกนี้เลยทุกหนทุกแห่งเต็มไปด้วยพันธนาการนะเครื่องผูกมัดถ้าใจไม่มีอิสระสัอย่างเดียวนะไม่สามารถหาอิสระภาพที่อื่นได้เลยคนติดคุกนะถ้าเขาภาวนาดีๆจิตใจเขาเป็นอิสระได้พนะวกเราอยู่นอกคุก เรามีคุกที่มองไม่เห็นนะมันครอบอยู่ตลอดเวลาคือภพจิตของเราวนเวียนอยู่ในภพนั่นเองเราไม่เคยพบไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักเนะว่าจิตเราติดข้องอยู่ในภพเรามีเจ้านายผู้ควบคุมเราชื่อว่าตันหาตันหามันเฝ้าคุกอันนี้อยู่เราก็อยู่ในคุกนี้นะด้วยความเพลิดเพลินหลงระเริงคนโง่ ก็หลงละเลงอยู่ในภพนี้ผูนะ้มีสติมีปัญญารู้ตัวว่าทุกวันนี้ยังเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้เลยที่ไหนก็ไม่มีที่จะมีความสุขที่จะมีอิสระภาพที่แท้จริงตราบใดที่จิตยังถูกตันหาบีบคั้นจิตยังดิ้นรนอยู่ในภพจิตจะหาความเป็นอิสระจะหาความสุขไม่ได้เลยนะงั้นขั้นแรกเลยต้องรู้ก่อนว่าจิตมันหลงอยู่ในภพนะ สังเกตดูพบคืออะไรพบมีสองชนิดพบชนิดที่หนึ่งชื่ออุปัติภพอุปัติภพเนี่ยหมายถึงพบโดยการเกิดอย่างพวกเราขณะนี้มีอุปัติภพเป็นมนุษย์อุปัติคืออุบัตินั่นเองเราอุบัติมาเป็นมนุษยนะ์เพราะว่ากิเลส ต, ตัณหาเก่าๆหรือกุศลเก่าๆผนะลักให้มาเป็นมนุษย์นี่แหละพบอีกชนิดหนึ่งชื่อก ร, รมมัมภพ คือเจตนาที่จะทำกรรมจิตเรามีความจงใจที่จะทำกรรมทำกรรมชั่วบ้างทำกรรมดีบ้างเจตนาที่จะพ้นจากการกระทบสัมผัสเข้าไปสู่ความว่างๆบ้า ง, างเจตนาที่จะทำชั่วเรียกว่าอาปุญญาพิสังขารเจตนาที่จะทำดีชื่อว่าปุญญาพิสังขาร เจตนาที่จะหนีการกระทบสัมผัสนะเรียกว่าอาเนินชาพิสังขารตัวเจตนาจงใจกระทากรรมนี่แหละเจตนาคือกรรมตัวกรรมนี่แหละคือตัวพบเพราะฉะนั้นในร่างของมนุษย์เนี่ยจิตเราเดี๋ยวก็เป็นสัเดรัจฉานอย่างเจตนามันเจตนาเองนะเราไม่ได้เจตนาจะเป็นเดรัจฉานเลย แต่จิตเจตนาจะหลงจิตมันจงใจจะหลงมันพอใจที่จะหลงมันเพลิดเพลินไปกับการหลงเมื่อไหรจิตเราหลงจิตเรามีโมหะเมื่อ น, นั้นเรามีกรรมภพเป็นสัตว์เดรัจฉานในร่างมนุษย์ในอุปัติภพเป็นมนุษย์แต่กรรมภพจิตเราขนาดนั้นทํากรรมแบบเดรัจฉานคือหลงไปถ้าขนาดใดจิตของเรามีความโลภ ขณะนั้นเราทำกรรมแบบเปรตทำไปด้วยโลภะนะถ้าขณะดใดเราเจ้าความคิดเจ้าความเห็นยึดถือแต่ความคิดความเห็นของตัวเองขณะนั้นเราเป็นสัตว์ชื่อว่าอสุรกายนะเจ้าทิฏฐิเจ้ามาันละนี่ mm hmm. เราเป็นสัตว์เป็นชื่ออสุรกายนะในร่างของมนุษย์นี่ขณะใดที่จิตเรามีโทสะนะมีความไม่แช่มชื่นใจ ขณะนั้นกรรมอาภพของเราเนี้ยจิตเวียนอยู่ในกรรมอภพของนรกอยู่ในภพของนรกร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นสันนรกนะเรียกว่ามนุษย์นิรโยนะถ้าเป็นหลงก็เป็นมนุษย์ติระฉานโนเป็นเดระฉานเป็นมะนุษย์ตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเดระฉานถ้าโลภอยู่ก็ตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นเปรตเียนะมนุษย์สเปตโตนะ แต่ถ้าเรามีศีลมีธรรมมีสติอยู่ยนี้นะเราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบกรรมภพนี้เป็นกรรมภพของมนุษย์อุปาทิภพก็เป็นมนุษย์กรรมภพก็เป็นมนุษยนะ์เรียกว่ามนุษย์มนุษย์นะบางคนจิตเป็นบุญเป็นกุศลนะมีความสุขอยู่กับบุญกุศลที่ได้ทําไว้แล้วกนะ็เป็นมนุษย์สเทวูเป็นเทวดาหรือทําชาญทำอะไรนะ ถือว่าเป็นเทวดามันกันความจริงเป็นผลมคําว่าเทวดาเนี่ยถ้าในความหมายอย่างกว้างเนี่ยครอบคลุมถึงผลมด้วยเป็นมนุษย์สเทโบงั้นจิตเราเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพน้อยๆเนี่ยตลอดเวลาภพใหญ่ๆนานๆเกิดทีภพใหญ่ของเราเป็นมนุษย์ภพย่อยภพน้อยๆเนี่ยในจิตในใจของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จิตเราเวียนจากภพโน้นไปสู่พบนีนะ้เวียนจากพบดีไปสู่พบชั่วเวียนจากพบชั่วไปสู่พบที่ดีนะหมุนไปด้วยนะทั้งวันการที่ต้องท่องเที่ยวไปด้วยนะเป็นความทุกข์เป็นความเหนื่อยยากซึ่งผู้มีสติปัญญาเห็นเลยว่าไม่เคยได้หยุดเลยไม่เคยได้พักเลยถูกตันหาผลักดันให้วิ่งไปสู่ภพโน้นพบนี้อยู่ตลอดเวลา กระทั่งจะเป็นเทวดานะตัณหาก็ผลักดันให้อยากทำดีอนะไรงี้ยดีอยากปฏิบัติทำนะแต่พบนั้นมีสองกลุ่มพบอันหนึ่งถ้าเราอยู่แล้วเราเสื่อมสามลงไปเรื่อยๆนะพบที่เสื่อมสามลงไปนะี่เป็นพพทางอบายนะทางอบายไม่ดียิ่งปฏิบัติไปในทางที่เลวยทางเสื่อมสามนะจิตใจยิ่งตกต่ำ ไม่มีโอกาสดีเลยอีกทางหนึ่งปฏิบัติแล้วไปสู่สุขติคือจิตใจเราเดี๋ยวก็เป็นทุกคติจิตใจเราเดี๋ยวก็เป็นสุขติเดี๋ยวก็อยู่ในภพที่เป็นทุกคติเป็นภพที่มีความโลภความโกรธความหลงเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอาสุรกายเป็นสัต์เดรฉานหมุนเวียนอยู่บางทีก็เป็นภพที่เป็นสุขติสุขติภูมิเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหม พที่ตกต่ำนะั้นจะทำให้ศีลสมาธิปัญญานั้นย่าแย่ไปไม่ดีแต่ศีลสมาธิปัญญานั้นเกิดขึ้นได้ในพบที่ดีนะเพราะฉะนั้นถึงเราจะต้องเวียนว่ายอยู่ในพบนะก็ขอให้อยู่ในพบที่ดีนะเพราะในพบที่ดีในสุขติเนะี่ยเราสามารถพัฒนาศีลสมาธิปัญญาได้ในทุคติเนะี่ยไม่มีโอกาสพัฒนาศีลสมาธิปัญญาขึ้นมานะยกเว้นนะ ยกเว้นอย่างพวกสัตว์เดรัจฉานบางตัวเป็นพระโพธิสัตว์สเสวยชาติเป็นสัตว์เดรัจฉานอันเนี้ยจิตใจที่คุ้นเคยกับกุศลอย่างมหาศาลเนี่ยผลักดันให้สร้างบารมีไปเรื่อยเป็นสัตว์ก็สร้างบารมีส่วนสัตว์ทั่วไปไม่สร้างบารมีเอา ก, กินกินนอนนอนสืบพันธ์กำลังแก่ตัวอื่นๆแล้วก็ตายเปล่าๆ เ, เราจะถึงจะต้องอยู่ในภพนะเราอยู่ในภพของมนุษย์ ภพของคนที่มีความรู้สึกตัวภพของคนมีศีลมีธรรมภพของเทวดาภพที่ฝึกจิตฝึกใจให้สงบเนื่อภพของพรหมพยายามพบอยู่ในภพเวียนอยู่ในภพที่ดีพวกนี้ไม่ถึงขนาดว่าอยู่ๆจะต้องพ้นจากภพนะอาศัยภพที่ดีนั่นแหละมาพัฒนาศีลสมาธิปัญญาเมื่อศีลสมาธิปัญญาของเราแก่รอบแล้วจิตจะสลัดตัวออกจากภพ พนจากพบได้สิ้นตัณหาสิ้นตัณหาได้พระสิ้นอวิชชานะรู้แจ้งเห็นจริงในรูปในนามทั้งที่เป็นอดีต ท, ทั้งที่เป็นอนาคตทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตทั้งที่เป็นปัจจุบันนะรู้รูปนามลงเป็นปัจจุบันเรียกวริยสัจรู้รูปนามในอดีตในอนาคตรเนี่ยก็ล้างความเห็นผิดนาน า, นานชนิดไป งั้นเราพยายามนะให้จิตของเราหมุนเวียนอยู่ในภพภูมิที่ดีเนืองเนือพยายามมีสติไว้ขาดสติเมื่อไรจิตจะตกอบายทันทีเลยเวลาที่เราขาดสตคิความโลภความโกรธความหลงมันก็เกิดขึ้นในทันทีที่เราเกิดสติค ว, ความโลภความโกรธความหลงก็ดับทันทีและสติเนี่ยเป็นธรรมที่มีอุปการะมากเป็นของวิเศษ จะต้องพัฒนาขึ้นมาให้ได้ถึงจะไม่เสียทีที่ได้เกิดมาในอุปัติภพที่เป็นมนุษย์โดยภพของเราเราเป็นมนุษย์เนี่ยวิเศษมากแล้วเป็นภพที่ดีที่งามที่เหมาะสมที่สุดเลยสำหรับการปฏิบัติธรรมภพอของเทวดานะเทวดาเห็นแต่ของสวยงามนะเห็นแต่อายุก็ยืนก็รู้สึกว่าชีวิตนี้มันเที่ยง โอกาสที่จะประมาทเนี่ยมีมากเทวดาไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บยกเว้นเวลาใกล้จะตายในขณะที่เทวดาใกล้จะตายเนี่ยรัศมีจะเศร้าหมองลงแล้วร่างกายจะเริ่มมีปฏิกูลอสุภะเกิดขึ้นมีเหงื่อซึมซึมออกมาอะไรเนี่ยนะรัศมีเศร้าหมองพวกเทวดาด้วยกันก็จะรู้ว่าองค์นี้ใกล้จะตายแล้หมดอายุไขล้วเทวดาก็จะมาเตือนกัน ว่าเพื่อนเอ๋ยกําลังจะตายแล้วนะขอให้ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์เถอะพวกเราเวลาจะตายอยากไปเป็นเทวดาเทวดาจะตายนะพวกที่มีสติปัญญานะเตือนกันบอกขอให้ได้เป็นมนุษย์นะนเราต้องภูมิใจนะเราจะเป็นสิ่งที่เ ท, ทวดาอยากเป็นขณะเนี้ยเราเป็นสิ่งที่เ ท, ทวดาอยากเป็น พูดอย่างนี้บางคนค่อยตื่นตัวหน่อยนะรู้สึกเท่เนะทำไมเป็นมนุษย์มันดียังไงเป็นมนุษย์เนี่ยสุขก็ไม่สุขแท้ทุกข์ก็ไม่ทุกข์แท้นะสุขก็แว บ, บเดียวทุกข์ก็แว บ, บเดียวนะอย่างเทวดานะสุขก็สุขนานอยู่กับความสุขนานทําให้เผลอเผลินี่เป็นพรหมนะนี่มีความสุขมีความสงบนิ่งนานหนักเข้าไปอีกนะ ก็จะประมาทง่ายนะยกเว้นท่านที่บารมีสูงนะเทพพรมที่เป็นพระอริยะบุคคล น, นั้นนะมีมากกว่ามนุษย์นะเพราะแต่เดิมท่านก็เป็นมนุษย์นี่แหละอย่างพวกเรานี่แหละภาวนาบางคนก็ได้โสดาสกทาคานาคาไปเกิดในเทวโลกบ้างในพรหมโลกบ้างนะท่านเหล่านี้ก็ไปภาวนาต่อ หรืออย่างพวกเราบางคนยังไม่ได้ธรรมะตายซะก่อนจิตใจมีธรรมะมันคุ้นเคยพอไปเกิดในเทวโลกก็อยากฟังธรรมในเทวโลกมีการแสดงธรรมอยู่เรื่อยๆนะมีการเทศอยู่เรื่อยๆนในพระอริยบุคคลหรือพระโพธิสัตว์ใหญ่ๆท่านเทศท่านแสดงธรรม เงินพวกเทพพรหมที่เป็นสมาธิฐีเนี่ยจะขยันฟังธรรมขยันปฏิบัติธรรมแต่น้อยกว่าพวกประมาทนะพวกประมาทมีมากก็ เ, เหมือนมนุษย์นะสนใจธรรมะมีน้อยประมาทมีมากแต่เทพพรหมนะั้นะการภาวนาเขาจะลำบากนิดหนึ่งเป็นมนุษย์เนี่ยทำกรรมฐานได้ทุกอย่างเลย เป็นเทพเป็นพรหมนะจะดูกายดูรูปนะดูยากนะมันเที่ยงมันรู้สึกว่าเที่ยงจริงๆมันไม่เที่ยงหรอกแต่กว่ามันจะแสดงความไม่เที่ยงนะั้นมันนานมากเป็นหมื่นกับก็มีนะรูปบางรูปอยู่ตั้งแปดหมื่นกับนะจักรวาลเกิดดับตั้ง8ปดห 0,000 ื่นครั้งแล้วรูปนี้ถึงเสื่อมโทรมไปงั้นเทวดาพรหมเนี่ยนะถ้าจะภาวนาเอามาังคเอาผลเนี่ยต้องขยันดูจิต ต้องดูจิตนะยันที่หลวงพ่อเทศเรื่องดูจิตดูจิตเนี่ยเทวดาพรหมถ้าได้ยินจะชอบมากเลยเพราะเอาไปปฏิบัติได้จิตของเทวดามีราคะไหมมีโทสะมีโมหะไหมก็มีเหมือนกันแต่มันไม่หยาบช้ารุนแรงจนท่านทำผิดศีล น, นะเขาก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตเทวดาก็ามีความรักคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านพักอยู่นะ พระอินทร์อยากมาเฝ้าพระอินทร์ใช้เทวดาชื่อปัญจสิกขาเนี่ยนะให้มาดีดพินสรรเสริญพระพุทธเจ้านะเป็นการเรียกร้องความสนใจก่อนถ้าพระพุทธเจ้าหันมาคุยด้วยนะก็จะทูลว่าพระอินทร์จะขอเข้าเฝ้านี่มารยาทพระอินทร์นะอยู่ๆไม่เดินทะเล้อทะลา่าไปเคาะประตูเรียกนะปัญจสิกขานี่ก็ไปดีดพินร้องเพลงสรรเสริญพระพุทธเจ้านะ แต่สารเสริญแล้วก็ข้าครวญไปในตัวว่าไปหลงรักเทพธีดาองหนึ่งพ่อเขาไม่ยกให้นี่เทวดาอย่างนี้ก็มีนะ อ, อกหกัก อ, อกหกักเทวดา อ, อกหักนะพ่อเขาไม่ยกให้นะมาสารเสริญพระพุทธเจ้าไปด้วยข้าครวนไปด้วยพุทธเจ้าเออเทวดาอางนี้ร้องเปล่งแปลกะท่านก็เลยคุ่ยด้วยปัญจสิขาก็เลย ทูลบอกว่าพระอินทร์จะขอเข้าเฝ้านี่พอพระอินทร์ท่านมาเฝ้านะพระเจ้าเจ้าแสดงธรรมพอกลับจากฟังเทศนะพระอินทร์เลยไปสู่ขอลูกสาวเข้ามาใหนะ้เลยสมหวังเห็น ไ, ไหมเทวดาก็ยังมีผิดหวังมีสมหวังนะเพราะงั้นถ้าเทวดาดูจิตดูใจได้นะเทวดาปฏิบัติธรรมได้เดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์นะเดี๋ยวมันก็ผิดหวังเดี๋ยวมันก็สมหวังถึงจะไม่รุนแรงนะ ทุกไม่รุนแรงนะแต่มันก็ทุกเนี่ยเป็นกรรมฐานที่เทวดาทำได้โฟมทำได้นะดูจิตดูใจเนี่ยดูกายเนี่ยไม่ได้กินนะดูยากดูแล้วมันเที่ยงแต่มนุษย์ได้เปรียบมนุษย์เนี่ยร่างกายเราก็อยู่ไม่นานจิตใจเราก็กลับกรอกพวกฟรฟมนะจิตจะค่อนข้างเที่ยงจะค่อนข้างเที่ยงจิตทรงฌานอยู่แคนะั ดูจิตยากด้วยซ้ำไปนะเทวดา ย, ยัางดูจิตง่ายพรหมดูจิตยากกว่าเทวดาแต่ถ้าพรหมนั้นเคยชํานาญในการดูจิตนะก็สามารถดูจิตต่อได้อย่างพวกเราเนี่ยถ้าเกิดไปเกิดพรห ม, มโลกนะั้นเราจะไปดูจิตต่อเป็นนะในอภิธรรมสอนไว้ถึงขนาดว่าพรหมที่สูงที่สุดนะชื่อว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นพรหมที่เกือบจะไม่มีสัญญาเหลืออยู่ เกือบไม่รู้สึกเลยจิตสงบแน่วลงไปในตำราบอกว่าถ้าพรหมนั้นเป็นพระอริยะบุคคลที่ชำนาญในการดูจิตพรมในเนวสัญญานาสัญญายัตนะก็ยังไปดูจิตต่อได้อีกไปเจริญวิปัสสนาในเนวสัญญาซึ่งอศัศจรรย์ที่สุดเลยเรื่องนี้<อ>งั้นพวกเราที่หัดดูจิตทุกวันนี้นะถ้าเกิดไปต่อในพรหมโลกในเทวโลกเราไปได้นะไปไม่ยากนะ ถ้าไปฝึกต่อแต่ว่าถ้าจบชาตินี้ได้ก็รีบจบเสียหรืออย่างต่ำเมาให้ได้พระโสดาล้างความเห็นผิดให้ได้นะว่าจริงๆตัวเราไม่มีหรอกสิ่งที่เป็นตัวเป็นตนเป็นอัตตาถาวนละคำว่าตัวตนนั้นเป็นคือมีตัวจริงถาวอเป็นอมตะคาว่าตัวตนนะแต่อย่างที่เรารู้สึกแวบหนึ่งว่ามีเรามีเรารู้สึกทีเรแวบนึงเนี้ยอันนั้นไม่ใช่เรียกตัวอัตตาหรอก มันสำคัญมั่นหมายขึ้นมานะมันไม่ได้มีจริงตัวตาเราเป็นมนุษย์เนี่ยร่างกายเราก็แปรปรวนให้ดนะูเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของกายไปจิตใจเราก็กลับกรอกแ ป, กปรปลวนเทวดามีแต่วความสุขนานพรหมมีแต่วความสงบนานของเราสุกก็แป๊บเดียวสงบก็แป๊บเดียวมีแต่ของเกิดดับเงั้นภพภูมิของมนุษย์เนี่ยเราต้องภูมิใจนะ เราอยู่ในภพภูมิที่เทวดาที่ดีเขาอยากมาเป็นอย่างพวกเราจนพวกเราอยากไปเป็นเทวดาเพราะว่าร่างกายของเราก็ไม่คงทนจิตใจของเราเขากลับกรอกฟังแล้วไม่ดีแต่ความจริงดีไม่ดีสำหรับคนเขาดีสำหรับคนที่มีสติมีปัญญาคอยรู้สึกอยู่ในกายเนืองๆจะเห็นว่ากายนี้เต็มไปด้วยของไม่เที่ยงเต็มไปด้วยความทุกข์บีบคั้น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 คนไหนถนัดที่จะเอากายเป็นฐานเอากายเป็นฐานไว้ถ้าดูกายเป็นจะเห็นจิตเพราะจิตเป็นคนดูกายคนไหนถนัดดูจิตดูจิตเป็นฐานไว้แล้วก็จะเห็นกายด้วยเพราะจิตเนี่ยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปนะเพราะว่าตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันกระทบอารมณ์จิตก็เปลี่ยนได้ดังนั้นกายกับจิตเนี่ยเป็นของเนื่องกัน ถ้าเราถนัดเอากายเป็นฐานเราก็เอากายเป็นฐานมีจิตเป็นคนดูสุดท้ายก็เห็นทั้งกายทั้งจิตถนัดดูจิตก็ดูความเปลี่ยนแปลงของจิตเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ก็จะรู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตสุดท้ายก็จะแจ้งเลยทั้งกายทั้งจิตหรือทั้งขันห้านี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เกิดขึ้นแล้วดับไปทั้งสิ้นไหมมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นทุกข์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 ร่างกายที่เคลื่อนไหวร่างกายที่หยุดนิ่งเกิดแล้วก็ดับไปความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในกายเกิดแล้วก็ดับความสุขความทุกข์ความเฉยๆที่เกิดขึ้นในจิตเกิดแล้วก็ดับกุศลอกุศลที่เกิดขึ้นในจิตเกิดแล้วก็ดับจิตที่ไปเกิดทางตาจิตที่ไปเกิดทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเกิดแล้วก็ดับการที่เห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดดับเป็นธรรมดา อันนี้เป็นภูมิธรรมของพระโสดาบันคือท่านรู้ความจริงแล้วว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าอัตตาตัวตนถาวร อ, อย่างคำว่าอัตตาเนี่ยเราจะเข้าใจได้ดินะถ้าเรารู้จักาศาสนาบางอันอย่างของฮินดูฮินดูเนี่ยถือว่าจิตเที่ยงจิตเที่ยงพอ ร, ร่างกายนี้ตายนะจิตก็เวียนว่ายตายเกิดไปจนถึงขีดสุดนะจิตทึ่งเที่ยงเนี่ยก็รวมเข้ากับผลม์ดันั้นจิตนี้เที่ยง งั้นชาวพุทธบางคนนะมาสอนกันว่าจิตเที่ยงต้องรู้เลยนะว่าเขาเป็นฮินดูเขาไม่ใช่พุทธหรอกถึงจะหมพระเหลืองอยู่เขาก็เป็นฮินดูนะต้องรู้อย่างนี้นะถ้าเราเข้าใจคำว่าอัตตาของฮินดูแลเราจะเข้าใจคำว่าอนัตตาที่พระพุทธเจ้าพูดง่ายอนัตตาคือไม่มีสิ่งซึ่งเที่ยงถาวรแบบนั้นนะมีแต่สิ่งซึ่งมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นะถ้าเราเห็นอย่างนี้ได้ถ้าเป็นพระโสดา บ, บัน เราก็ภาวนาต่อไปนะจนวันหนึ่งเราเห็นทุกข์เห็นโทษของกายของใจเห็นธาตุเห็นขันเนี่ยธาตุขันนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้มันเป็นทุกข์เพราะเป็นอนิจจังเป็นทุกข์เพราะถูกบีบคั้นคือเป็นทุกข์ขังเป็นทุกข์เพราะว่าไม่อยู่ในอานาจนะเอาเป็นที่พึ่งไม่ได้เป็นอนัตตาคือเห็นความไร้สาระแก่นสารของธาตุขันกายใจนี้ ถ้าวันใดปัญญาเห็นความไร้สาระแก่นสารของาธาตุขันธ์ของกายของใจของรูปของนามเนี่ยมันจะหมดความยึดถือในใกายในใจในรูปในนาความพ้นทุกข์ก็จะเกิดขึ้นในขณะนั้นพระอรหันต์นั่นจิตท่านหมดความยึดถือในรูปนาในใกายในใจมันพลากออกไปจากกายจากใจไม่เข้าไปเกาะเกี่ยวอีกกายกใจก็เป็นทุกข์ไปตามธรรมชาติของมัน แต่ว่าจิตซึ่งมันพ้นไปจากขันแล้วไม่ยึดถือขันแล้วมันไม่ปล่อยทุกไปด้วยนะอยู่วันหนึ่งอยู่ไปเรื่อยจนวันที่ขันแตกขันดับจิตนี้จะมีสภาพเหมือนไฟที่ดับไปจิตที่เข้าถึงความบริสุทธิ์เนี้ยจะมีสภาพเหมือนไฟที่ดับไปไฟที่ดับนั้นไม่ได้สูญไปไฟที่ดับนั้นไม่ได้มีอยู่มันกระจายเต็มโลกธาตุออกไปเลย เต็มพระนิพพานเต็มฝึกนะไหนๆก็ได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ล, ละไหนๆก็ได้ฟังธรรมซึ่งหาฟังได้ยากละก็ะเหลือแต่ลงมือปฏิบัติทำให้สมควรแก่ทำปฏิบัติตั้งแต่ตื่นจนหลับนั่นแหละเรียกว่าสมควรแก่ทำนะยกเว้นเวลาที่ทำงานที่ต้องคิด น, นั้นจำเป็นเพื่อการอยู่กับโลก การอาศัยโลกอยู่นี้เราอ า, าศัยช่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองเราก็ต้องรู้ว่าการทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวอะไรนีเป็นงานช่วครั้งช่วคราวเฉพาะในชีวิตนี้แต่งานปฏิบัติธรรมนี่เป็นงานประจำจิตใจของเราในสังสา ร, รวัตินี้นะก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยนะวันหนึ่งเราจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นยังไงเราจะอศัศจรรย์ที่สุดพระพุทธเจ้าไม่ได้ศูนย์ แต่พระพุทธเจ้าไม่ได้มีอยู่ในลักษณะที่เรานึกนะเหมือนไฟที่ดับนะจิตก็เป็นอันเดียวกันหมดนะกลมกลืนเข้าสู่สภาวะนะไม่มีตัวมีตนนะไม่ใช่เป็นพบพบหนึ่งอีกนะพอไหวไหมเอโซ่อ้าเชิญไปทานข้าวนี่หมดเลยครับ